นี น, นะทีนี้ต้องการให้คนอื่นเขารักเร า, าไอเราโกรธคนนั้นเนี่ยมันสมด้วยเหตุด้วยผลเพราะไอคนนั้นมันเลวจริงๆก็ส่อเสียด จ, จะเข้ามาพฤศธวาจาก็เข้ามาเพ้อเจ้อเป็นต้นก็เข้ามาพยาบาทก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทีนี้คนที่บาปแบบนั้นบ่อยๆอยากเชื่อไหมว่ามันมีผลโทสะ น, นั้นมีมเป็นเป็นผลหรือไม่เป็นผลมีผลหรือไม่มีผลมันไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามันมีจะบาปก็เรามันอยู่มีสติสัมปชัญญะเพราะเราโกรธ เ, เราก็รู้ตัวว่าโกรธ เขาบอกว่าเขา า, เขารู้ตัวเขาบอกเขาบอกเขามีสัมปชัญญะเขาโกรธเขากรู้ว่าเขาโกรธเขาโกรธ ถ, ถ้าเขารู้เขามีสัมปชัญญะหนึ่งเขาโกรธแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าเรียกว่าคนมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นทั้งหมดที่โกรธเนี่ยโกรธแล้วมันดียังไงโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วเสียหายประโยชน์อะไรบ้างดีในความเชื่อหรือว่าดีในความจริงคิดว่าดีจริงหรือจริงๆแล้วมันไม่ดีจริงก็ต้องวินิจฉัยแต่ว่าคนโกรธไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนั้นหรอก นะมันจะเอาแต่กโกรธอย่างเดียวอธิบายว่าสรุปว่าต้องโกรธอย่างเดียวว่างั้นเถะนะต้องโกรธแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาก็เริ่มแยกขณะที่โกรธเนี่ยเสียหายประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์โลกนี้ได้ไหมก็ลองไปเจรจา ง, งานด้วยอาการที่โกรธเต็มที่เลยเนี่ยนะได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ตอนที่โกรธเต็มที่เนี่ยงานถ้าประโยชน์โลกนี้ก็เสียหายอายุถ้าโกรธมากๆแล้วมันจะหลั่งสารบางชนิดออกมาสุขภาพแข็งแรงขึ้นไหมในอนาคต ไม่เป็นก็เป็นสารที่เลวร้ายที่พ่นก็เหมือนกับพ่นขณะที่เราโกรธนั้นก็เหมือนกับฉีดยาพิษใส่ตัวเองตลอดเวลาฉีดยาพิษใส่ตัวเองตลอดเวลาเพราะอายุมากๆเข้าก็เริ่มแล้โรคนั้นก็แทรกโรคนี้ก็เข้าหนักๆเข้ารุ ป, ปันโรคนี้โรคนี้ก็เดือดร้อนชาติน่าจะ ง, งามได้ีหมอาการที่แสดงไว้ตอนโกรธยังไงชาติต่อๆไปก็ฉันนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ใครพยายามมองคนอื่นด้วยสายตา ย, ยัางไงก็นั่นแหละแววตาใน อนาคตตชาตินะนะก้อนก็คิดดูว่าอยากเห็นหน้าตัวเองไหมตอนโกรธบอกว่าถ้าโกรธนะถ่ายรูปไว้เป็นที่เราเลิกเออชาติหน้าของเราจะเป็นหน้าแบบนี้นะแล้วก็โกรธแล้วก็เก็บภาพตัวเองไว้เยอะๆใช่ไหมอาการที่โกรธเออเนี่ยถ้าโกรธแบบนี้นะหน้าเราชาติหน้าจะเป็นแบบนี้ว่าหน้าบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอาการมันบอกอย่างนั้นเนี่ยนะขอเห็นครั้งเดียวก็พอเพราะความโกรธเราเองเราก็ยังไม่อยากจะเห็นหน้าเราเองเลยฉันได้หน้าของคนโกรธไหมแนะนําตั้งหลายคน ม, มีใครทําเลย อว เ, เวลาคนโกรธเต็มที่แล้วถ่ายรูปไว้หน่อยได้ไหมสบายใจแล้วมานั่งดูเออเนี่ยตอนเราโกรธนะน้าเราขนาดนี้แล้วนะนาชาติหน้าดูซิเนี่ยมันจะเป็นยังไงน้อยนะก็ไปคิดเอาดูเะนั้นความโกรธเนี่ยทำลายปัญญาเพราะนั้นพอเจริญกุศลเนี่ยนะคนพอเจริญกุศลไประดับหนึ่งความโกรธมันจะเข้าเซก ถ้าถ้าเราจะกล่าวไปตามลําดับเนี่ยนะตามตามลําดับในปัญหา16ข้อเนี่ยเช่นคนที่เริ่มมาศึกษาธรรมมาพิจารณาร่างกายกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟแต่นะักรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงศึกษาที่ศีลที่จิตเป็นยังไงอวิชชาเป็นยังไงรู้ไปหมดเหลือแต่ความโกรธอย่างเดียวเนี่ยนะเอาทีนี้พอมันโกรธปั๊บมันระราแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเลิกจเจริญเลิกปฏิบัติจริงๆนะ เราสังเกตดูว่ากลุม่มกลุ่มบุคคลที่มาศึกษาธรรมะเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยพอศึกษาไประดับหนึ่งจะมีเรื่องโกรธโกรธใครก็โกรธกันเองเนี่แหละคนนี้โกรธคนนั้นคนนั้นโกรธคน น, น, ค น, นี้คนสอนโกรธคนฟังคนฟังโกรธคนสอนก็โกรธสลับกันไปสลับกันมาโกรธไปโกรธมาก็เลิกนะโครงการก็เป็นอันยุตินะอา้าวเขสูกไฟเผากันเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยนะพับเพลิงเผาสวอตเลยค่วคเนี่ยทีนี้อ้าว ปัญหาว่าเอาข้ามความโกรธได้ก็เรียบเป็นกำแพงอีกขั้นหนึ่งที่ต้องขุดเอาถ้าขุดสําเร็จเอาไปเอามาไปเจอทางสองแพร่งมันสงสัยอีกแล้วเนี่ยบอเอาไปเอามาเริ่มสงสัยใช่ไหมสงสัยอะไรก็บอกว่าคําว่าทางสองแพร่งเป็นชื่อของวิจิกิจฉาอธิบายว่าพ่อสุเมธาเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตราเนี่ยนะกลดหรือขุดทางสองแพร่งนั้นเสียคือจงละวิจละวิจิกิจฉานั้นเสียจงขุดวิจิกิจฉานั้นเสีย ในหน้า344ย่อนหน้าบอกว่ า, าเวทาปโธคราวทางสองแพร่งหรือทางสองแยกเนี่ยนะอะบุตรผู้มีโภคะเดินทางไกลอันกระหน่ำหอบเงินหอบทองไ ป, ไปเป็นล้านเลยเหมือนนั้ไปถึงทางสองแยกเข้าตัดสินใจไม่ถูกว่าไปไงดีควรจะไปทางนี้หรือไม่ควรไปทางนี้หยุดยืนอยู่ในที่นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยยืนไปยืนมาโจนมาถูกเวลาพอดีเลยจะทาไง โกลนเอาทรัพย์ไปหมดเลยนะในที่สุดก็ย่อยยับหมดตัวตรงนั้นแหละฉันใดผู้ที่เจริญกรรมาฐานก็เหมือนกันตอนได้ขุดความโกรธมาได้แล้วใช่ไหมหายโกรธหายอะไรใจชื้นเจริญไประดับหนึ่งเอาเข้าใหม่นึกเอเราก็าเกิดมาเนี่ยนะห่างพระพุทธเจ้ามาตั้งสองพันกว่าปีพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะและ้วใครเป็นหลักฐานอ้างได้ไหมเนี่ยเชื่อได้จริงหรือเปล่าแล้วใครมีใครออกมารับรองบ้างเนี่ยเราเริ่มละ คือคือมันเริ่มความสงสัยว่าเอะเอาเอาเอพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วรู้ได้ไงว่าธรรมะพรุทธเจ้าสอนถูกทําเหมือนฉลาดแล้วนะตอนเนี้ยเหมือนฉลาดนะเหมือนนักวิจัยนะที่ไหนได้วิจิตรกิจฉาไม่มีข้อมูลหรอกตอนนั้นอนะ่ะเออแล้วรู้ได้อย่างไงว่าพระธรรมมีจริงเออถึงพระธรรมมันมีจริงอะไรใครมีตัวอย่างมัางมีใครบรรลุให้เห็นบ้างเออก็ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยเริ่มน่ารานมันอ่ะเออแล้วศีนะลที่เราเจอรู้ได้ไงว่าศีลนี้เป็นของ พระพุทธเจ้าเอ้ยที่เราทำเนี่ยมันเป็นศีลจริงหรือเปล่าแล้วศีลพระพุทธเจ้าที่บอกมันดีจริงหรือเปล่ามันครบสู่หรือเปล่าเนี่ยนะทำเหมือนรอบครอบเหมือนละเอียดละ อ, อี๋ทีท้วนที่ไหนได้เตรียมจะเลิกที่ไหนได้เตรียมจะเกณฑ์จะเป็นพู้ในขณะเตรียมจะม้วนเสือเก็บแล้วว่างั้นเนี่ยไม่เอาแล้วนะไปเจริญไปเจริญมาพองสงสยัยปับ๊บห้าปากหาแล้วก็นอนนอะ ทันต่อไปมันจะเริ่มนี่วรรอื่นๆก็จะตามมาอีกเป็นขบวนแต่นี้ก็เริ่มวิจิกิจชาก็เริ่มสงสัยเอ๊ะจริงหรือเปล่านะเริ่มสงสัยจนนั่งไม่ติดเลยเนี่ยนะเท่าที่รู้จักไม่ใช่น้อยเลยนะก็ ว, ว่าเอาไม่ติดเลยมันพอสงสัยในพระพุทธเจ้าศรัทธาที่เคยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าลดลงทันทีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเอ๊ะจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสงลดไปแล้วเนี่ยนะลดศรัทธาไปแล้วครึ่งหนึ่ง คือยิ่งแบบตัวเองอธิบายไม่ได้ยุ้ยเท่าไหร่ ย, ยิ่งสงสัยเพิ่มขึ้นเท่านั้นสงสัยพระธรรมไม่เลื่อมใสในพระธรรมสงสัยในพระสง์สงสัยในคนนั้นทีนี้ไอ้ความสงสัยเนี่ยมันกระเดียดไปหามิจฉาทิฐิมันเรียกว่ามันเข้าข้างมิจฉาทิฐิหนักหนักเข้าปฏิเสธพระพุทธปฏิเสธพระธรรมปฏิเสธพระสงฆ์แล้วพวกนี้ไม่ต้องการข้อมูลและไม่ต้องการคําอธิบายแล้วถ้าเป็นคนขี้สงสัยแล้วขี้โกรธ ด, ด้วยโอ้พอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะ ปิดกั้นตัวเองให้เฝ้าวัตตาอย่างเรียกว่าสนิทเลยนันก็ทั้งสงสัยด้วยทั้งโกรธ ด, ด้วยก็ไปกันใหญ่นั้นเหมือนการความสงสัยก็ตอนแรกแบกทรัพย์คือศรัทธาพระพุทธเจ้ามาเต็มที่เลยใช่ไหมพอไปถึงทางสองแพร่งก็สงสัยพระพุทธเจ้าถูกปล้นในหมดตัวอีกแล้วเนี่ยนะแบกทรัพย์คือศรัทธาในพระธรรมมาเต็มที่นะจงจําคําสอนไว้ตั้งเยอะแยะเนี่ยนะก็บางทีก็สงสัยเพราะตัวเองคิดขึ้นเองบ้างแล้วไอ้วิจิกิจฉานี่มันดันเป็นอาสังขาริกด้วยใช่ไหม ความฟุ้งซ่านกับความสงสัยไม่ต้องมีคนสอนบางคนเนี่ยแบบอะไรนะถูกเน็บซ้ายเน็บขวาเน็บหน้าเน็บหลังถูกสะกิดบ่อยๆเข้าชักระแวงแล้วเนี่ยนะมันระแวงขึ้นก็เริ่มระแวงหน้าระแวงหลังระแวงเอ้ยเอ า, าจริงรึเปล่าทุรีรึเปล่าอะไรรึเปล่าแปลกนะพวกนี้โดยมากไม่ค่อยยิ่งสงสัยแล้วยิ่งเจาะลึกยิ่งค้นคว้ากลับบอกไม่ สงสัยเข้ากลับไปบริโภคการมตามเดิมก็ได้ไเห็นมีอะไรปรเพราะฉะนั้นต่อไปก็เลยพอเจอทางสองแพร่งกุดทางสองแพร่งเอาไปอคุศลมันกลุ่มรุมนิวรห้าแล้วเหมือนหม้อกรองน้ำด่างนิวรห้าก็กลุ่มรุมสลับเดี๋ยวก็การมฉันทะบ้างเดี๋ยวก็พยาบาทเดี๋ยวก็าาทีนะมิตถะเดี๋ยวก็อุทจักขุกุจจัดเดี๋ยวก็วิจิกิจชาสลับคละเคล้ากันไปคือตรงนี้มันก็แยกเนีว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโพชฌงก็คือ นิวรณ์สิ่งที่ตรงกันข้ามปฏิบัติต่อนิวรณ์ก็คือโพ่อช่องทีนี้พอเจริญไปเจริญมานิวรณ์มันกลุ้มรุมทาําไงท่านก็บอกว่าให้ละนิวรณ์ท่า น, น, นในสติปัฏฐานจึงบอกเลยว่าเมื่อกามฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่ากามฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในเมื่อกามฉันทะนิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่ากามฉันทะนิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายใน กามฉันทานิวอ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวอ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวอ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเด็ดขาดได้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยก็เริ่มมาฟอกทีละนั่นนะ การมาฉันท่านิวรพยาบาทนิวรถีนะมิท่านิวรอุทะจักกุกุจานิว ร, ว, รวิจิกิจฉานิวรก็เริ่มฟอกอะไรเนี่ยเริ่มฟอกถ้ามีความรู้ก็ชำระนิวรได้ถ้าไม่มีความรู้ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะถ้ามีความรู้ก็แก้นิวรได้นิวรนี้เป็นเครื่องที่เรียกทําปัญญาให้ทุรพลเป็นตัวที่ทําให้สติลดลง ให้สติไร้คุณภาพให้ปัญญานี่หมดเรี่ยวหมดแรงทำลายแค่เรียกว่าประหารศาีษะแห่งปัญญาเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยคนที่สุขภาพแข็งแรงพอเชื้อโรคเข้าไปเชื้อโรคก็ทำลายฉันใดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานวันก่อนที่เขามีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องอ มังกรเนี่ยนะมังกรเนี่ยไปกัดควายเนี่ยคือปากมันเนี่ยเชื้อโรคทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเชื้อโรคเต็มปากไปหมดเามันเกิดมาไม่เคยแปลงฟันไม่เคยอะไรสักอย่างเนี่ยนะเชื้อโรคเต็มไปหมดเหมือนจระเข้เนี่ยจระเข้ก็เหมือนกันเชื้อโรคเต็มปากมันไปหมดเพรเวลามันกัดอะไรเข้าเนี่ยมันก็ปล่อยเชื้อโรคไปมันก็เชื้อโรคก็กัดตนนี้ไปกัดควายปั๊บเนี่ยนะก็กัดธรรมดางับเข้าไปงับธรรมดาแบบแบบหมางับเนี่ยนี่ยความที่เชื้อโรคมันเต็มมันก็กัดกัดกัดกัดแล้วก็พผอมผอมแล้วก็ตายตรงนั้นอะ มันก็ไปกัดกินกัดกินกัดกินอย่างไงี้ไอไอความโรคทั้งหลายเนี่ยทำลายความไม่มีโรคนิวรนทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันมันเป็นตัวทําลายทำลายอะไรทำลายปัญญานั้นเคยฉลาดมากถ้านิวรนกลุ่มรุมเมื่อไหรโง่เลย น, นะถ้าอย่างสมมติเคยปัญญาดีมากตอนโกรธขึ้นมาเอาเลยหน้ามึดเลยนะี่นะคิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงเลยพราะอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับหม้อน้ำด่างมันคอย มันคอยสร้างความเสียหายเลวร้ายพันนิวร์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันก็บอกว่านิวร์นิวร์เนี่ยต้องข่มด้วยวิขำพรนภประหารกับตทางค่าะหารก็ต้องข่มด้วยนิวร์ด้วยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะก็ต้องข่มนิวร์ด้วยสมถะและวิปัสนาถ้าไม่ข่มด้วยสมถะวิปัสนาเนี่ยนะคืออกุศลเนี่ยต้องแก้ด้วย กุศลต้องเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นจึงจะละอกุศลได้เช่นละกามด้วยเนคขมมะละพยาบาทด้วยอัพยาบาทถ้าเราเป็นคนมักโกรธเราต้องเจริญเมตตาขนาดไหนมันจึงจะดับความโกรธได้เนี่ยนะแล้วก็ถ้าวิจิกิจชาอ่ะขออภัยละทีนามิธะด้วยอโลกสัญญาละอุทจักกุกุจัดด้วยละอุทจักกุกุจัดด้วยการกําหนดธรรมหรือด้วยปราโมทเนี่ยนะด้วยปลืม้มปีติใน กุศลธรรมละ อ, าอาวิชาด้วยคราว ล, ละวิจิกิจชาด้วยอะไรด้วยปัญญาใช่ไหมหวันนี้ก็ต้องมีการพิจารณามีการไข ค, ครวนเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาสร้างภูมิคุ้มกันในความคิดจนจิตเนี่ยกล้าหาญแล้วก็แข็งแรงนิวรน์ไม่กลุ้มรมใจก็ไม่เศร้าหมองไม่ถูกห้ามไม่ถูกตัดสัญจรไม่ถูกการตัดไม่ถูกตัดการสัญจรของสติปัฏฐานไม่ถูก ตัดการสัญจรของสมมตประธานอิทธิบาทอินทรีย์พร ะ, ระพ่อชงและองค์มกกรคุสรธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกเงยเจริญงอกงามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเนี่ยนะนี้พอเจริญไปเจริญมาเข้าอ่าอันนี้ก็ที่บอกว่าปัญหาข้อต่อไปอีกเมื่อเมื่อละนิวรนด้แล้วอะไรปัญหาที่12บอกว่าคําว่าเต่านั้นเป็นชื่อของ อุปาทานขันห้าอุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณนี่นะเรียกว่าปัญจูปาทานขันเทก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าดูก่อพิสูจน์ทางหลายคําว่าเต่านี้เป็นชื่อของขนนันหนะ้านีนะเต่าเนี่ยเรียกว่ามีเครียกว่ามีอวัยวะอยู่5อย่างไหมหัวหนึ่ง เท้าอีกสี่ชันใดขันก็เหมือนการฉั้นนั้นอันนี้เป็นการผู้รวบรวมสังคตะธรรมทุกชนิดสังขารธรรมสังคตะธรรมถ้าย่นย่อลงมาก็คือขันห้านะถ้าทนับย่อกว่านั้นก็ได้นะเช่นดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามมีเพียงนามกับรูปแต่เป็นก็เป็นสังคตะธรรมนี้กําจําแนกมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรเพื่อละความกําหนัก ด, ด้วย ตัดความกําหนัดตัดความยื้อใหญ่ในขัน 5, ห้านังที่เช่นอะไรขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้านั้นเสียขันห้าที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขในี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งเขาเพื่อที่จะตัด